ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้วงเล็บเจ็ด